สิกขาบทที่4ว่าด้การบวชให้สิกขามานาทีา่สงยังไม่ได้สมมุติเรื่องภิกษุณีหลายรูป 1,084 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันรามของอนาถาบินทิกะเศษธีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทั้งหลายบวชให้สิกขามานาผู้ศึกษาศิกาในธรรมหข้อตลอดสองปีแต่รงยังไม่ได้สมมติภิกษุณีทั้งหลาย กล่าวอย่างนี้ว่าสิกขามานาทั้งหลายพวกเธอจงมานี่จงรู้สิ่งนี้ประเคนสิ่งนี้นําสิ่งนี้มาฉันต้องการสิ่งนี้จงทําสิ่งนี้ให้เป็นกิยะสิกขามานาเหล่านั้นตอบว่าแม่เจ้าพวกทีฉันไม่ใช่สิกขามานาพวกดิฉันเป็นภิกษุณีบิดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามพนธนาว่าฉนาพวกภิกษุณีจึงบวชให้สิกขามานา